หัวข้อต่อไปคุณธรรมของผู้บรรลุนิพพานเบื้องแรกแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายลบกับฝ่ายบวกฝ่ายลบก็หมายถึงสิ่งที่ท่านละได้ถ้าเอาสังโยนสิบมาตั้งพระโสดาบันก็ละได้สามสกายะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนวิจิคิจฉาความสงสัยที่จะให้ถึงนิพพาน ศีลระตตปรามาสความเชื่องมงายหรือประพฤติศีลและวัดโดยผิดจุดมุ่งหมายคุณสมบัติฝ่ายบวกหรือฝ่ายดีคุณธรรมของท่านยกโสดาบันขึ้นมาเป็นตัวอย่างของพระอริยบุคคลผู้ได้บรรลุถึงนิพพานเป็นก้าวแรกเช่นหนึ่งมีศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นศรัทธาที่ถูกต้อง 2. มีศีลที่เรียกว่าอริยะกันตศีล 3. ม, มีจากคะแม้จะเป็นผู้อยู่ครองเรือนเป็นพระอริยะที่เป็นครวดก็จะไม่ตรณีพร้อมที่จะบริจาคแก่ผู้ที่สมควรจะได้รับ 4. มีสุตตะ เป็นผู้ที่ได้เป็นสุตตวาอริยาสาวโกอริยาสาวกผู้ได้แววเสียงธรรมของพระอริยห้าปัญญาอย่างน้อยรู้อริยสัจ ร, รู้ไตรลักษณ์รู้ปฏิจจสมุปบาทรู้ความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมหัวข้อต่อไปศรัทธาสี่อย่าง 1. อาคัมภนาสัตธาคือสัตธาของพระโพธิสัตว์ต่อพระโพธิญาณหลังจากที่ได้รับพยากรแล้วเช่นสัตธาของสุเมตาบทที่ได้รับพยากรจากพระธีบังกร 2. โอกาสัมปนะสัตธาคือสัตธาที่อย่างลงอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยจะเรียกอาจระสัตธาก็คงได้ สาปสาทัสสัทธาเลื่อมใสยอย่างยิ่งแล้วจึงศรัท ธ, ธาไปเห็นอาการกิริยาอะไรแล้วเกิดเลื่อมใสศรัท ธ, ธาขึ้นมาภายหลังที่เรียกว่าศรัท ธ, ธาปัสาทในกรณีพระสารีบุตรไปเห็นพระอัสชิแล้วเลื่อมใสแล้วศรัท ธ, ธาก็ตามมา 4. อาธิคมนนะัศรัท ธ, ธา ก็เป็นศรัทธาของพระอริยาสาวกฉะนั้นศรัทธาสประการแรกเป็นโลกิยสศรัทธาประการที่สคืออธิคมณรสัตธาเป็นโลกุตระศรัทธาอันนี้มีอ้างในอังคุตรนิกายจาตุกกนิบาศอัทธกถากล่าวถึงศรัทธาสี่อย่างอันนี้ผมไม่พูดถึงกรรมศัศษฐาเพราะพูดกันเยอะแล้ว มีสิ่งที่เรียกว่าโสตาปฏิยังคะแปลว่าองค์ให้บรรลุโสดาหรือคุณสมบัติของพระโสดาปันนี่ก็มีสี่เหมือนกันคือศรัทธาไม่คลอนแคลนในคุณพระรัตนไกรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เป็นสามแล้วและมีศีลบริสุทธิ์เป็นข้อสี่โดยทั่วไปจะพูดถึงศรัทธาสี่อย่างนี้ แต่ในบางแห่งเช่นสังยุตตนิกายมหาวาราวักเล่มที่19อันนี้เปลี่ยนจากศีลเป็นจาคะก็เป็นโสตาปฏิยงังคะเหมือนกันจาคะคือผู้ที่ไม่เสียดายในการบริจาคให้กับผู้มีศีลศีลบริสุทธิ์ที่เรียกว่าอริยกันตศีลนี่ประกอบด้วยองค์คือหนึ่งศีลไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยสีนขาดเช่นปานาติบาตถ้าพร้อมด้วยองค์ห้าก็สีนขาดถ้าไม่พร้อมด้วยองค์ห้าขาดไปบางองค์เช่นไปปลาไก่ถ้าตั้งใจให้มันตายแต่มันไม่ตายขาหักอย่างนี้สีงทลุถ้าปลามันไม่ผูกอย่างนี้สีด่างคิดจะปาแต่ยังไม่ได้ปาอย่างนี้สีพร้อย 2. ผู้ชิศานิเป็นไทยก็คือไม่เป็นทาตศีลแบบเป็นทาตคือรักษาศีลแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ารักษาศีลไปทำไมจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรใครให้ทำก็ทำไปเหมือนคนที่เป็นทาตแล้วแต่นายจะใช้เป็นไทยคือรู้จักจุดมุ่งหมายรู้จักจุดประสงค์รู้จักองค์ประกอบเป็นต้น และพร้อมที่จะยืดยุนได้ตามสมควรสอปรามัฏฐ า, านนิอันตันหาและทิฏฐิไม่รูปคลำคือรักษาศีลไม่ใช่เพราะตันหาและทิฏฐิเช่นเพราะอยากได้สวรรค์หรืออยากร่ำรวยนี่คือตัญหาเข้ารูปคลำแต่ถ้ารักษาศีลเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลเรียกว่าตันหาและทิฏฐิไม่รูปคลำ 4. วินยูประสัตฐานิวินยูชนสรรเสริญ 5. สมาธิสังวัตตนิการนี้เป็นไปเพื่อสมาธิศีลของผู้บรรลุนิพพานจะต้องเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยะพอใจหัวข้อต่อไปเรื่องจาคะท่านพร้อมที่จะบริจาคอยู่เสมอนะครับ สำหรับผู้ที่ถึงนิพพานแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้ที่มีมือชุ่มอยู่เสมอสมัยก่อนนี้เขาล้างมือก่อนแล้วจึงให้หรือหยิบให้คือมีมือชุ่มอยู่เสมอแปลว่าพร้อมที่จะให้ในตระกูลของผู้ที่ได้รับการสมมุติว่าเป็นเสกขะจึงห้ามพระไม่ให้ไปรับบิณฑบาศ ถ้ารู้ว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลของพระเสขะหรือพระอริยะถ้าเขาไม่นิมนต์ไปรับบิณฑบาตไม่ได้เพราะว่าถ้ามีท่านให้หมดท่านไม่เสียดายจึงเรียกว่าเป็นเสขาสมมุติอันนี้ในวินัยปิดกเล่มที่สองห้ามขอห้ามบิณฑบาตยืนหน้าบ้านแสดงอาการขอไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามไว้ สุตะคือได้สดับอริยธรรมเป็นสุตวาอริยสาวกโกเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับมันตรงข้ามกับอสุตวาปุถุชโนโอปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทีนี้ดูจากอะไรบางทีก็ดูจากโลกธรรมเวลาโลกธรรมกระทบลาบยศสรนเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศ นินทาทุกเวลาโลกธรรมกระทบมีความสำเนยกรู้อย่างไรจิตใจฟูขึ้นหรือฟุบลงตามโลกธรรมหรือเปล่าถ้าระดับอนาคามีขึ้นไปท่านก็มั่นคงมากแล้วแต่ในระดับโสดาบันยังเป็นพระอริยะเด็กๆอยู่อาจจะว่นไหวบ้างแต่ก็น้อยอย่างนางวิสาขาพอหลานตายก็ร้องไห้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรทําให้แตกต่างกันในระหว่างอริยาสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นเหมือนกันก็ตรัสว่าเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นอริยาสาวกย่อมสำเนียกรู้ว่าโลกธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จึงครอบงามจิตไม่ได้แต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สตบไม่ได้สำเนียกไม่ได้ตระหนักว่าโลกธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรามันจึงครอบงามจิตได้โลกธรรมทั้งส่วนที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาให้เข้าใจอย่างนี้ คือว่าเรายืนอยู่กับที่ก็ได้สิ่งต่างๆมันหมุนไปเองยังคาถาที่ว่าเหมือนภูเขาศิลาล้วนยืนตรงานอยู่ไม่หวั่นไหวด้วยลมที่พัดมาจากสี่ทิศฉันใดบัณฑิตทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญและนินทาภูเขามันยืนอยู่อย่างนั้นลมมันก็พัดผ่านไปเอง เราเหมือนลงเรือในมหาสมุทรจะไม่ให้ถูกคลื่นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเรือเล็กเรือใหญ่แค่ไหนเรือแข็งแรงแค่ไหนถ้าแข็งแรงเราก็โต้คลื่นได้ไม่จมถ้าเรือใหญ่มากแล่นในมหาสมุทรก็รู้สึกเหมือนอยู่บนบ้านไม่รู้สึกกระทบกระเทือนอะไรเลยทั้งที่มีคลื่นอยู่ ลองดูอีกแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้อริยสาวกผู้ได้อบรมจิตในมหาสัจจกะสูตรมัชมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองผู้ที่อบรมกายและอบรมจิตแล้วดูกันที่ไหนพระองค์ทรงแสดงว่าผู้ที่ได้อบรมกายแล้วอบรมจิตแล้วดูกันที่สุขเวทนา หรือทุกเขเวทนาทางกายหรือทางจิตเกิดขึ้นเวทนานั้นๆสามารถครอบงำจิตเขาได้หรือไม่ถ้าครอบงำได้ทาให้เขาต้องเศร้าโศกเสียใจพิไรรารพันต่างๆแสดงว่าเขายังไม่ได้อบรมกายยังไม่ได้อบรมจิตด้วยดีถ้าครอบงำไม่ได้ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่พิไรรารพันต่างๆ แสดงว่าเขาได้รับการอบรมกายอบรมจิตดีแล้วฉะนั้นการได้สดับธรรมของพระอริยะจึงสำคัญมากทีเดียวที่นี้ปุถุชนเราสติตามไม่ทันต้องฝึกและสำเหนียบบ่อยๆมีสติระลึกถึงอาภินาปัจเวกบ่อยๆว่าเราจะต้องพลัดพรากสูญเสียสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ตามที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปอย่างใดอย่างหนึ่งสุตะเรื่องนี้สำคัญผมอยากเน้นตรงนี้ว่าทำอย่างไรคนของเราถึงจะได้สะดับธรรมของพระอริยะหมายความว่าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะได้ปัญญาและแก้ปัญหาได้เยอะเลย คนทุกวันนี้สแสวงหาอาจารย์อาจเพราะไม่ตรงจริตของตัวเองเลยจึงต้องสแสวงหาไปเรื่อยแต่ถ้าได้อ่านพระพุทธภาษีซึ่งง่ายกว่าอ่านได้เร็วกว่าจะดีกว่าเพราะอาจารย์ทั้งหลายนั้นก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นปัญญาเมื่อได้ปัญญาแล้วก็จะได้ความสุขสุโขปัญญาปฏิลาโพ ปัญญาคือรู้ความเป็นจริงของโลกของธรรมรู้ไตรลักษณ์รู้อริยสัจ ร, รู้ปฏิจจสมุปบาทซึ่งรวมแล้วก็คือเข้าใจโลกเข้าใจธรรมโลกวิูีธรรมวิถูพอได้อย่างนี้แล้วก็จะเข้าสู่ความเป็นผู้ประเสรศิฐเข้าถึงอริยธรรมแม้เป็นเพียงพระโสดาบันหรือโสดาปิตพุ ก็ประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินประเสริฐกว่าการได้ไปสวรรค์ประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้กำลังใจเอาไว้นี่ก็ต้องอาศัยอานุภาพของปัญญาแต่ก็ต้องอาศัยสุตตะศีลจาคะเป็นฐานมาด้วยเหมือนกันรวมกันเป็นองรวม ต่อไปเป็นหัวข้อคุณสมบัติของพระโสดาบันตามนัยยรัตนสูตรมีหอย่างคือหนึ่งไม่ถือเอาพบที่8 2. ดสองละกิเลสสมอย่างได้สพ้นจากอบาย4 4. สไม่ทำอภิฐานห 5. หไม่ปกปิดความชั่วทั้งหอย่างนี้มีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ไม่ถือเอาภพที่8สดสัตตคัตตุปรม a คือเกิดใหม่ยังมากเจ็ดชาติอันนี้แปลมาจากคำบาลีที่ว่านาเตพวังอัธมะมาดิยันติคือไม่ถือเอาภพที่8ดคือเกิดอีกเพียงเจ็ดชาติก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันประเภทสตัตตคัตตุป a ม a พระโสดาบันก็มีสมประเภทคือ 1. เอกาพีชีเกิดอีกหนเดียวเป็นพระโสดาบันประเภทที่มีปัญญามากคุณสมบัติเท่ากับพระสกิทาคามี 2. โกลังโกละไปเกิดอีกสองสำชาติ 3. สัตตคขตตุปรม a มีปัญญาน้อยที่สุดไปเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติ ท่านเรียกว่าไม่ถือเอาพบที่แปดมีพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วมาจากราดบุรีมาพบผมท่านปรารภถึงเรื่องนี้ว่าท่านเข้าใจว่าพระโสดาบันสามจำพวกนี้พระประเภทโกรังโกละกับประเภทสัตตขัตตุปรมมนี้น่าจะยังไม่เห็นอริยสัจพระเอกาพิชีนี่เห็นอริยสัจ ผมก็เรียนถามท่านว่าอันนี้ได้มาจากไหนมีหลักฐานอะไรบ้างท่านบอกว่าคิดว่าผมก็เรียนว่าไม่ใช่ทั้งสามประเภทท่านเห็นอริยสัจสี่รอบแรกแล้วในรัตนสูตรก็พูดว่าพร้อมด้วยเห็นอริยสัจเป็นปฐมทัศนาท่านจะละกิเลสสามอย่างได้ สกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตาปรามาตท่านต้องเห็นแล้วผมก็เรียนว่าขอให้เอาโสลดกิจมาตั้งคือกิจส6หคือยานสารในอริยสัจสี่บวกด้วยมรซี 4, ซึ่งพระอริยบุคคลท่านจะผ่านไปตามลำดับลำดับถ้าถึง16หแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปเลย ผมก็เรียนท่านไปท่านก็บอกว่าเข้าใจแล้วแต่ท่านเป็นพระที่ดีคือสงสัยแล้วขยันถามยานสามในอริยสัจสี่คือทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละละได้แล้วนิโรธควรทำให้แจ้งทำให้แจ้งแล้วมรรคควรบำเพ็ญและได้บำเพ็ญแล้ว นี่คือการเห็นอริยสัจเห็นด้วยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นได้เป็นพระโสดาบันก็สบายไปเจ็ดชาติไม่ตกต่ำเลยอวินิปากธรรมโมมีการไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคืออริยบุคคล น, นี่จะไม่เสื่อมจากคุณธรรมแล้วพบก็ไม่ตกต่ำด้วยต้องเป็นสุขติท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ตลอดเจ็ดชาติ จิตใจก็ไม่ตกต่ำอริยคุณก็ไม่ตกต่ำมีความทุกข์ใจน้อยกว่าคนธรรมดาถึงจะประสบปัญหาอย่างเดียวกับคนธรรมดาแต่ท่านทำใจได้ความทุกข์ไม่ครอบงมใจของท่านทำความดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากจิตใจมีความสุขอยู่เป็นนิดมีบางครั้งเท่านั้นที่ท่านอาจจะมีความทุกข์บ้างแต่ไม่มาก เทียบกับความทุกข์ของมนุษย์ทั่วไปแล้วผิดกันมากมองดูความทุกข์ของพวกเราสมัยนี้เพียงแต่ให้ได้อยู่ได้กินก็แย่แล้วลําบากเหลือเกินพระอริยะบุคคลเรียกว่าสุขง่ายทุกข์ยากถ้าคนทั่วไปก็ทุกข์ง่ายสุขยากเหมือนจิตเป็นแผลโดนอะไรเข้าหน่อยนึงก็อักเสบ จิตท่านไม่เป็นแผลโดนอะไรก็ไม่อักเสบอยู่สบายคนเรามีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเราต้องพยายามฆ่ามันถ้าไม่เช่นนั้นมันจะฆ่าเราเป็นอากุสลมูลเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ไม่ต้องถึงขนาดโลภโกรธหลงที่ร้ายแรงเพียงความวิตกกังวลถ้าเผื่อเราไม่ฆ่ามันมันฆ่าเรา มันค่อยๆ ค, ค่าเราวันละเล็กวันละน้อยค่าอย่างเลือดเย็นฉะนั้นต้องพยายามที่สุดที่จะละความวิตกกงังวลอะไรเกิดขึ้นก็แก้ปัญหากันไปแต่ไม่ต้องวิตกกงังวลก็จะทําให้สุขภาพจิตดีทำให้อย่างอื่นพลอยดีไปด้วยยิ้มได้ถ้าชาวพุทธเราพยายามแก้ปัญหาที่ต้นต่อ สาวไปหาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงแสดงว่าตัวบาปบ้างตัวกิเลสบ้างที่มันเป็นเหตุของทุกข์และพยายามที่จะแก้ตรงนี้ก็จะช่วยให้ตัวเองเบาบางลงไปและทำให้คนอื่นก็พลอยปลอดภัยไปด้วยคนที่อมอะไรไว้ต้องคลายสิ่งนั้นออกมา คนที่อมความร้อนไว้ต้องคายความร้อนออกคนที่อมความเย็นไว้ก็คายความเย็นออกถ้าเราศึกษาให้ดีจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนเรียกว่าธรรมธาสะกระจกธรรมเอากระจกธรรมไปสองโลกให้เห็นชัดแต่ถ้าเอาความรู้อย่างโลกไปสองโลกมันจะมองไม่เห็นเหมือนนกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน้ําอะไรทํานองนั้นคนอยู่กับโลกไม่เห็นโลกอยู่กับธรรมไม่เห็นธรรมที่จริงทุกคนอยู่กับธรรมแต่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นสุภาษิตไทยว่าใกล้เกลือกินดางผมอยากคุยเรื่องนี้นานๆเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวคนทุกคนว่าทําอย่างไรให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้คนยิ่งอยากรวยยิ่งต้องการจะแข่งขันกันในเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้เทียมหน้าเทียมตาคนอื่นก็ยิ่งทุกข์หนักเป็นภาระยิ่งใหญ่บางคนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพอะเขามีอะไรก็ต้องมีตามเขาแต่บางทีฐานะเราไม่เท่าเขามันเป็นอัศมิมาณะ เป็นกิเลสตัวร้ายที่คนไม่รู้จักมันกัดกร่อนความรู้สึกที่ดีการพัฒนาจิตมันเป็นอิโกโ้ความรู้สึกต้องใหญ่ต้องโตอะไรทำนองนี้มันบังคับให้บุคคลต้องกระเสือกกระสนไปอย่างน่าสงสารมากเหมือนนกถูกเอาไม้เสียบคอแล้วปล่อยให้บินไปมันก้มไม่ได้ต้องบินขึ้นไปเรื่อยจนกว่าหมดกำลังแล้วก็ตกลงมาต่ อัศมิมาณะก็เหมือนไม้ที่เสียบคอนกอยู่นี่เองความรู้สึกอยากใหญ่อยากโตต้องกระเสือกกระสนขึ้นไปตลอดเวลาลงไม่ได้ลงก็คือตกลงมาตายที่จริงวิถีชีวิตที่สบายมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตต้องการพระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานอัศมิมานัสสาวินโย เอตังเวปรมังสุขขังเอาอัสมิมา น, นะออกเสดได้เป็นความสุขจริงแท้เวลาเขาให้ผมให้โอวาาเด็กที่จบการศึกษาผมก็จะพูดเรื่องนี้เสมอว่าโลกข้างนอกมีการแข่งขันกันมากหาความสุขได้ยากเพราะการแข่งขันเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาที่จบไปขอให้ตั้งอุดมคติเข้าไว้ว่า เราจะไม่แข่งขันกับใครเราจะไม่เอาใครมาเทียบกับตนไม่เอาตนไปเทียบกับใครให้สร้างตัวสร้างฐานนะไปตามความสามารถของตนถ้าจะแข่งขันก็ให้แข่งขันกับตัวเองกับอุดมคติของตัวเองให้สร้างอุดมคติขึ้นไว้ในใจก็เดินไปถึงอุดมคติของเราโดยไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร ไม่ต้องเทียบกับใครแล้วเราจะอยู่สบายไม่เดือดร้อนเป็นทางที่สงบสุขถ้าเราแข่งกับคนอื่นถ้าต่ำกว่าเขาเราก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจถ้าสูงกว่าเขาบางทีก็เกิดอาหารการเกิดอัศมิมา น, นะเกิดการดูหมิ่นผู้อื่น อย่างบางคนรับราชการยกตนข่มผู้อื่นว่าตัวได้สองขั้นปีนั้นเท่านั้นปีนี้เท่านี้ยกตนข่มผู้อื่นแต่ก็ทำให้ตนไม่มีความสุขเองแล้วก็ไม่มีสนีไม่เป็นที่รักของคนที่เข้าใกล้รู้คนอื่นเยอะไม่มีประโยชน์เท่ากับรู้ตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดให้มองเข้ามาข้างใน ผมขอต่อคุณสมบัติของพระโสดาบันตามในยรัตนสูตรข้อสองละกิเลสสมอย่างได้กิเลสสอย่างก็คือสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพะตาปรามาตตยัสสุธรรมาชหิตาพวันติสักกายดิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะ อยากจะขอย้ำเรื่องศีลับพระตาปราโมทาซึ่งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในสังคมเราผมอยากจะพูดในความหมายอีกความหมายหนึ่งคือความยึดมั่นที่งมงายอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาจิตในการเลื่อนชั้นตัวเองไปเที่ยวเกาะนั่นเกาะนี่ติดนั่นติดนี่มันเป็นศีลับพตุปาทานอย่างทหารคนหนึ่งคล้องพระเครื่องเต็มคอ อันนี้ไม่ได้เจตนาไปดูถูกอะไรแต่อยากแนะนำให้ยึดถือสิ่งที่ดีกว่าเช่นว่าถือกฎแห่งกรรมซึ่งมันอยู่กับตัวถ้าคนไม่ดีถึงอะไรก็คุ้มครองไม่ได้อย่างนักเลงแขวนพระเต็มคอก็ถูกยิงตายก็คือเราต้องไม่ประมาทและประพฤติอยู่ในสุดจริตคือถ้าจะตายก็ให้ตายไปด้วยสุดจริต คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายถึงจะไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้าแต่ให้ตายด้วยความสุจริตความไม่ประมาทและความสุจริตจะเหมือนเกราะป้องกันตัวขอพูดถึงอริยะบุคคลผู้บรรลุนิพพานอริยะแปลว่าประเสริฐอีกอย่างหนึ่งแปลว่าห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจาก่าสศึกอริปแปลว่า่าสศึก ยะแปลว่าไปเสียจากไปเสียจากค่าศึกหรือว่าห่างไกลจากค่าศึกคือกิเลสค่าศึกมีสองอย่างคือ 1. ค่าศึกภายนอกคือบุคคลหรืออะไรที่เป็นตัวตน 2. ค่าศึกภายในคือกิเลสเป็นศัตรูภายในเป็นผู้ฆ่าภายในซึ่งทำให้เดือดร้อนจิตใจว้าวุ่น ไม่มีความสุขทางใจอยู่นานอยู่มากอยู่ประจำในจิตใจของคนส่วนใหญ่ค่าศึกภายนอกอาจมีบริวารอารักขาได้แต่ค่าศึกภายในไม่มีใครอารักขาได้ต้องต่อสู้ไปคนเดียวมีบาลีว่าอัตต า, าเวชิตตังเสออยโยยาจายังอิตราปรชาชนะตนนั้นแหลประเสริฐ ชนะผู้อื่นจะประเสริฐอย่างไรแล้วก็ว่าเรื่อยไปนะครับลงท้ายด้วยสเวสังคามชุดตโมผู้ที่ชนะตนอย่างนี้ได้เป็นยอดนักรบในสงครามภาษาทหารก็เรียกว่าวีรบุรุษถ้าชนะตัวเองก็เป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมสังคามชุดตโมเป็นผู้ชนะในสงครามที่สูงสุดยอดเยี่ยม คือชนะกิเลสในตนบางคนจะเลิกปุรี่ขยับแล้วขยับอีกก็เลิกไม่ได้นี่คือค่าศึกภายในอริยมรรคคือหนทางที่ทําให้ห่างไกลจากค่าศึกเดินตามทางนี้แล้วจะห่างไกลจากค่าศึกคือกิเลสถ้าชนะค่าศึกภายในคือกิเลสได้แล้ว ค่าศึกภายนอกก็ไม่มีสำหรับบุคคลผู้นั้นคือเขาไม่รู้สึกว่าใครจะเป็นค่าศึกทีนี้ใครจะรู้สึกก็รู้สึกไปเองข้างเดียวแต่ตัวบุคคลผู้นั้นไม่รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าศึกของตัวเหมือนนางมาคันธิยากับเทวทัตถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นค่าศึกแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มองคนเหล่านั้นเป็นค่าศึก พระองค์มีแต่เมตตาถ้าเมตตาไม่ไหวการุณาไม่ไหวมุทิตาไม่ได้พระองค์ก็อุเบกขาแล้วแต่กรรมของสัตว์เขาทำอย่างไรเขาก็ได้รับอย่างนั้นเองอย่างตอนที่เจ้าชายวิดูดพภะจะยกทัพไปข่าพวกสากยะพระองค์เสด็จไปห้ามหลายครั้งครั้งสุดท้ายก็ส่งพิจารณา กรรมสักกายานว่าเป็นกรรมของสัตว์ช่วยไม่ได้แล้วใครทาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นไปมันสงบนะครับใครจะเกลียดจะโกรธจะด่าจะว่า ก, ก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็สงบเดินตามอริยมรรคผลทานที่ทําให้ห่างไกลจากค่าศึกคือกิเลสแล้วก็ทําให้ห่างไกลจากฆ่าศึกภายนอกใต้ด้วย ไม่รู้สึกว่าใครเป็นข้าศึกหรือเป็นศัตรูของตนมีแต่ฝ่ายหนึ่งรู้สึกไปเองว่าเป็นศัตรูความรู้สึกที่กล่าวมานี้มันทำยากนะครับแต่ทำได้บางคนเกลียดกันมานานจะทำใจให้อภัยมันทำยากแต่ก็ทำได้มีตัวอย่างมาแล้วอย่างพระอริยะเดิมทีท่านก็เป็นปุถุชนอย่างหนามากๆด้วย อยู่ๆมาท่านก็สำเร็จเป็นพระอริยะได้ด้วยความเพียรพยายามความตั้งใจจริงว่าจะเอาชนะมันก็ทำได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์ไม่สอนสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ที่พระองค์สอนคือสิ่งที่มนุษย์ทำได้แต่ทีนี้ก็ไปลู้ออำนาจแก่ความเป็นปุถุชนจะยอมแพ้เสียก่อนว่าเราเป็นปุถุชนทาไม่ได้หรอก แต่พระอริยะท่านก็เป็นปุถุชนมาก่อนเหมือนกันพวกเราก็อ้างแต่ว่าผมไม่ใช่อริยะผมไม่ใช่โสดาบันก็เลยไม่ได้ทำเสียีความตั้งใจมั่นและอธิษฐานบารมีทำให้ทำได้ความดีเราก็เอาจริงได้ตือความชั่วมันเสี่ยงอันตรายเยอะคนยังเอาจริงได้ทีนี้ความดีเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นไป เพื่อความสุขความเจริญของคนทุกฝ่ายทั้งของตนเองและผู้อื่นทำไมจะเอาจริงบ้างไม่ได้บางทีถ้าเกิดความท้อถอยขึ้นมาหรือว่าร่างกายไม่สบายทำอะไรไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่แต่พอนึกถึงว่าถ้าใครมีความตั้งใจมัน่นนึกถึงว่าตั้งใจทำงานอุทิศพระศาสนากำลังมันก็มีขึ้น คุณสมบัติของผู้บรรลุนิพพานคุณสมบัติของพระโสดาบันหัวข้อต่อมาก็คือข้อสพ้นจากอบายสี่จากพระบาลีรัตนสูตรที่ว่าจะตูหะปายเยหิจะวิปมุตโตพ้นจากอบายสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เบรฉ า, านท่านเป็นอันว่าพ้นไปเจ็ดชาติ มีบางคนสงสัยว่าเปรตกับอสุรกายแตกต่างกันอย่างไรเปรตนี่อยู่ในเปตัโลกหรือในภูมิของเปรตอสุรกายนี่มันเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางหลวงพ่อโชติโดกท่านอธิบายว่าเปรตกับอสุรกายมันก็ตระกูลเดียวกันแต่ว่าเปรตตัวเล็กกว่าอสุรกายเปรียบเหมือนหมาไทยกับหมาฝรัง่ง แต่ว่าเปรตกับอสุรกายก็ไปจากโลภะตัวเดียวกันก็ไปจากความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งท่านบอกว่าทางเจ็ดสายโทสะนำไปสู่นรกโลภะนำไปสู่เปรตอสุรกายโมหะนำไปสู่เดรัจฉานท่านแยกไว้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นปริยายหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดกันรวมๆแล้ว ทุกตัวนำให้ไปเกิดในนรกได้ทั้งนั้นจะด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันก็ไปนรกได้มันแล้วแต่เหตุการณ์ในขณะนั้นอย่างอธกถาธรรมบทอดีตของโคสกะแกหิวโหวยไปพักที่บ้านในโคบานแกก็เพียงแต่นึกว่าสุนักบ้านนี้สบายดีจังถ้าเราเกิดเป็นสุนักก็ดี อาหารที่ดีอย่างนี้เราไม่ได้กินสู้สุ น, นักบ้านนี้ไม่ได้เขาเลี้ยงพระประเจกับพุทธเจ้าบางส่วนพระท่านก็ให้สุ น, นักที่นอนอยู่ใกล้ๆโกตุหันลิกนี่ก็เป็นคนเดินทางอดโซมากับภรรยาทิ้งลูกไปแล้วด้วยการเดินทางลำบากก็เลยนึกว่าถ้าเราเป็นสุ น, นักบ้านนี้ก็ดี คืนวันนั้นกินใหญ่เลยอาหารไม่ค่อยย่อยแล้วก็ตายตายไปเกิดเป็นสุนัขที่บ้านนั้นอันนี้ไปด้วยโลภะอย่างเรื่องภิกษุได้จีวรใหม่ยังไม่ทันใช้เกิดมรณะภาพเลยไปเกิดเป็นเลนอยู่ที่จีวร อ, อันนี้ก็ไปด้วยโลภะเรื่องพวกนี้น่าศึกษาอ่านดูให้ดีๆค่อยพินิจพิจารณาไป ผมบรรยายให้พระสังฆทาธิการฟังก็มีรูปหนึ่งมาพบผมที่ห้องพักบอกว่าอาจารย์มันแปลกเป็นอะไรก็ไม่รู้มีพระบวชใหม่รูปหนึ่งที่วัดนั่งดูหมาแล้วบอกว่าเกิดเป็นหมานี่สบายไม่ต้องทำอะไรก็มีกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เที่ยวเล่นไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็คิดอยู่อย่างนี้ ไม่ทราบวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นมาปวดท้องมากเลยลงพานแล้วก็เห่าแล้วก็ช่วยกันมาแต่ก็ไม่ค่อยจะดีนักอยู่กันต่อมาก็ค่อยทำความเข้าใจถึงความคิดต่างๆต่อไปสภาพอย่างนั้นก็ค่อยๆหายไปจะเป็นไปได้ไหมว่าจิตสำนึกจิตตานุภาพคือด้วยานุภาพของจิตที่มันฝังใจอยู่บ่อย คิดบ่อยๆนึกบ่อยๆมันก็เป็นอย่างนั้นได้ผมอ่านในหนังสือมีฝรั่งคนหนึ่งพ่อเขาให้แหวนเกลี้ยงธรรมดาไว้วงหนึ่งแล้วก็บอกว่าด้วยแหวนวงนี้เจ้าจะได้เป็นนายธนาคารลูกก็ดูแหวนทุกวันว่าเราจะได้เป็นนายธนาคารก็มีความเพียรพยายามตั้งใจมุ่งมั่นคือเชื่อคำของพ่อ ต่อมาก็ได้เป็นนายธนาคารอันนี้เป็นแรงจูงใจคนเรานี้จูงใจตัวเองไปทางไหนมากๆมันไปมีนิทานจีนพ่อจะตายลูกไปขอสมบัติว่าอยู่ที่ไหนพ่อก็บอกว่าอยู่ในทุ่งนาให้ไปขุดเอาก็ปรากฏว่าหลังจากพ่อตายลูกก็ไปขุดจนพลุนก็ไม่เจอ ถึงหน้านาก็ทํานาหมดหน้านาก็ขุดต่อข้าวก็งามขายได้ราคาดีกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาแต่ไม่ได้เจอทองความขยันที่ไปขุดนั่นแหละทองเรื่องการจูงใจตัวเองนี่สําคัญมากเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเรื่องจิตตานุภาพอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เยอะ อย่างเรื่องอนุสติต่างๆธรรมานุสติสาคานุสติจาคานุสติเทวตานุสติไปถึงข้อสุดท้ายอุปสมานุสติให้ผูกจิตน้อมจิตไปสู่ความดีต่างๆสิ่งที่ชั่วท่านไม่ได้สอนให้นึกการเสพคุ้นในด้านที่เป็นกุศลจิตก็จะแสดงออกซึ่งความนุ่มนวลอ่อนโยนสุภาพ ถ้าน้อมไปในความชั่วมันก็จะมีลักษณะออกไปอย่างนั้นยังบางคนตบยุงยังตบด้วยความรุนแรงเลยอีกคนเอามือลูกยุงก็ตายเหมือนกันแต่บาปไม่เท่ากันเพราะบาปมากถ้าเจตนารุนแรงบาปน้อยถ้าเจตนาไม่รุนแรงเหล่านี้มันเป็นอุปนิสัยจากของเล็กไปหาของใหญ่ๆตรงข้ามถ้าเป็นความดี ถ้าทำบ่อยๆมันก็เป็นอุปนิสัยมันเริ่มมาจากความคิดตอสแล้วมาเป็นแอคชั่นการกระทำแล้วมาเป็น h ฮปบิดแล้วมาเป็นอุปนิสัยคาแรคเตอร์ character. อย่างบางคนออกรสรูปราชบางคนออกรสนุ่มนวลถ้าหากไปดูในจริต6มันจะเป็นพื้นเพจจิตใจด้วย คนโทสะจริตนี่มันจะออกมาทำอะไรก็จะทำายับหยาบตามจริตกวาดขยะ ก, ก็กวาดยับหยาบผมขอเน้นเรื่องจิตอ น, นุภาพอีกทีอนุภาพของจิตหรือความคิดมันสำคัญมากขอให้ชาวพุทธเราพยายามน้อมจิตคิดไปในทางเป็นคุณเป็นประโยชน์คิดสิ่งที่ดีอนุสติสิบที่พระพุทธเจ้าสอนให้ระลึก ก็หมันระลึกไว้บ่อยๆพุทธานุสติเป็นต้นน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงศีลของตนถึงจาก้าที่ตนได้บริจาบางคนเขามีบัญชีบุญสมุดเล่มหนึ่งทำบัญชีบุญคือว่าระลึกไม่ได้บางทีมาอ่านเข้าก็ปลื้มใจวันนั้นเดือนนั้นทำบุญอะไรมาบ้าง บันทึกไว้บัญชีบาปไม่ต้องลงเคยทำชั่วอะไรมาลืมเสียไม่ต้องไปนึกถึงมันจิตใจเราจะได้สบายดอเตอรราทากฤษณันผู้เขียนในธรรมบทภาษาอังกฤษมีประโยคจับใจประโยคหนึ่งท่านบอกว่าโดยทั่วไปเราคิดว่าเราอยู่ในโลกของวัตถุแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในโลกของจิตใจ เราอยู่ในโลกของความคิดคือว่ามนุษย์เรานี้คิดอย่างไรมากมันก็เป็นอย่างที่คิดมโนปุปบบางเข้ามาทามาสิ่งทั้งหลายขึ้นอยู่กับใจขึ้นอยู่กับความคิดถ้าใจชั่วการกระทำก็ดีความคิดก็ดีก็ชั่วไปตามความทุกข์ก็จะเกิดตามขึ้นมา เพราะการกระทำนั้นเหมือนกวียนที่ตามรอยเท้าโคที่ลากกวียนไปอำนาจของจิตยิ่งใหญ่นัก ส, สัมมาสังกัปปะก็อยู่ในเรื่องนี้ท่านสอนให้มีความดำริชอบคือความคิดที่ดีให้มีความคิดที่ดีไว้เสมอมองอะไรในแง่ดีคิดอะไรไปในทางดีๆอย่าจูงใจตัวเองไปในทางร้าย ถ้าเผื่อประสบเหตุร้ายหรืออะไรที่ไม่ค่อยดีก็ให้ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรอีกหน่อยมันจะพ้นไปแล้วใจเราก็จะสบายและมีความสุขคนลักษณะนี้ใครเข้าใกล้ก็จะมีความสุขไปด้วยคือเขาไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนไม่มีเรื่องที่จะทำให้คนอื่นร้อนไปด้วย ในการทำงานผู้บังคับบัญชาบางท่านอยู่ใกล้แล้วเย็นแต่บางคนอยู่ใกล้แล้วร้อนคนที่มีร่มเงาที่เย็นภาษาทางพระเรียกเป็นผู้มีฉายาอันเย็นมีร่มเงาที่เย็นเจ้านายบางคนไม่เคยบน่นจนมีคนบอกว่าถ้าใครถูกเจ้านายคนนี้ว่าแล้วต้องไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดเลยพระบางรูปก็เย็น ใครๆอยากไปเข้าใกล้ไปสนทนาด้วยบางท่านก็ร้อนเข้าใกล้เพราะมีกิจถ้าไม่มีกิจก็ไม่เข้าไปหาบางท่านเย็นมันก็เย็นออกมาจากตัวของท่านเองมันมีจิตตานุภาพสามารถดูดเอาคนเข้าไปอยู่ใกล้ๆได้เหมือนแม่เหล็กทําให้คนมีความสุขคือว่าเราเข้าใกล้น้าตก กับกองไฟนี่มันผิดกันความเย็นความร้อนความรู้สึกต่างๆที่สำคัญคือมันเป็นแบบอย่างว่าทำได้การพ้นจากอบายสี่เป็นข้อที่สนะครับเอาว่าพ้นจากอบายในปัจจุบันไปก่อนตายแล้วจะไปนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของอนาคต แต่ว่าพยายามพ้นจากอบายในปัจจุบันไปให้ได้ก่อนพ้นจากอบายในชีวิตนี้ไปก่อนนะครับคุณสมบัติของพระโสดาบันข้อสี่ข้อสี่ไม่ทำอภิฐานหกฐานะที่หนักหกอย่างมีอนันตริยกรรมห้าบวกด้วยอัญญสัตว์ถดเทศแปลว่าการไปเข้ารี สมมติว่าพระที่ไปอยู่อเมริกาแล้วได้อเมริกันซิติเซนต้องไปปฏิญาณต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะซื่อสัตย์ One Nation Under the God อันนี้ไม่ได้นะครับ ท, ทั้งทั้งที่ยังห่มเหลืองอยู่อย่างนี้ไม่ได้คำอธิบายก็คือไปถือศาสดาอื่น ท, ทั้งทั้งที่ยังห่มผ้าเหลืองอยู่อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคาราวาสไม่เป็นไร แต่ข้อนี้ก็น่าพิจารณาว่าจะได้หรือไม่ถ้าถือตามนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นปฏิปักษ์กับหลักธรรมเพราะมีเรื่องพระเจ้าด้วยคือมันมีอยู่ข้อหนึ่งคืออิสระนิมมาเนเหตุตุวาทะลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับพระเจ้าที่จริงถ้าเผื่อจะไม่เอาเสซก็ได้ ถือแค่กรี e การ์ d ก็ได้แต่เขาอาจจะมองว่าเป็น c ิติเ e นมาได้สวัสดิการทางสังคมเยอะได้เงินช่วยเหลืออะไรมากมายบางรูปอาจมองตรงนี้ทีนี้ถ้าให้สวยและจะต้องปฏิญาณอย่างนี้ก็ขอให้พิจารณาดูว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรไม่อย่างนั้นจะประดักประเดิดเกิดข้อสงสัยขึ้นมา อนันตริยกรรมหคือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอระหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตพ่อทำสังฆเพศและข้อที่หอัญยาศั์ถุเทศคือการนับถือเอ า, าศาสดาการอ้างเอาผู้อื่นเป็นาศาสดาทั้งที่เป็นพระอยู่แต่ข้อหนี่เฉพาะพระนะครับค า, ารวดไม่เป็นไร อนันตริยกรรมห้าบางแห่งเขาบอกว่าเป็นฐานปาราชิกของผู้นับถือศาสนาในนวโกวาทก็บอกอย่างนี้ในที่นี้หมายความว่าหนักปาราชิกทางธรรมไม่ใช่ปาราชิกทางวินยัยผมไปถวายความรู้พระธรรมทูตมีรูปหนึ่งถามว่าปาราชิกสี่ของพระข้อไหนที่ร้ายแรงที่สุด บางท่านก็ตอบว่าข้ออุตริมนุษธรรมเพราะว่าเป็นอักระมหาโจรผมก็บอกว่าคำถามนี้จะตอบยืนยันไปอย่างเดียวไม่ได้น่าจะตอบแบบวิพัชวัฏทะคือแยกแยะตอบลองเอาปาราชิกสี่มาตั้งดูหนึ่งเสพเมถุนสองขโมยทรัพย์ 3. ฆ่าคนสอวดอุตริมนุษธรรม ถ้ายกตัวอย่างเช่นการฆ่าคนถ้าไปฆ่าพระอาหารหันต์เข้าฆ่ามันดาบิดาเข้าเป็นปาราชิกแต่ว่ามันเป็นอนันตริยกรรมด้วยแต่การเสพเมทุนกับปวดอุตริมนุสธรรมไม่เป็นอนันตริยกรรมเพราะฉะนั้นจะว่าข้อไหนร้ายแรงมันอยู่ที่เงื่อนไขของการกระทำว่าทำอย่างไรทำอะไร ถ้าผู้ที่เราไปฆ่าเป็นคนอื่นธรรมดาจะว่าไม่หนักเท่าอวดอุตริมนุสธรรมก็ยังพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอวดอุตริมนุสธรรมเป็นอัคะมหาโจโรเป็นอัคระมหาโจรนี่นะครับโดยเทียบกับโจรสี่จำพวกดังต่อไปนี้ในวินัยปิดกเล่มที่หนึ่งที่ว่าด้วย ตุถะปาราชิกปาราชิกข้อที่สพระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาโจรไว้ห้าจำพวกหนึ่งอยากได้ลาบอยากได้บริวารอยากได้คนแวดล้อมเที่ยวไปในที่ต่างๆเพียงแค่นี้ท่านถือว่าเป็นมหาโจรพวกที่หนึ่ง 2. โจทภิกษุอื่นว่าต้องอาบัตหนักโดยไม่มีมูล เป็นมหาโจรพวกที่สองสแจกของสงแก่ขรือหัดในวงเล็บคือแจกสิ่งของส่วนกลางไม่ใช่สิ่งของส่วนตัวพวกครุพันเช่นเตียงต่างพรมแจกให้แก่ขรือหัดคือเอาไปให้คาราวาสไม่ใช่ขายนะครับไม่ใช่ผาติกกรรมคือแลกเปลี่ยน เช่นมีคนมาขอซื้อไปแล้วให้อย่างอื่นมาแทนแต่เป็นการเอาไปแจก 4. พ่พโมยพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นของตนอันนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเอาพระพุทธพจน์พุทธภาษิตมาบอกว่าเป็นของตนนี่ถือเป็นมหาโจรเวลาใครจะเขียนพุทธพจน์ลงไปที่ใด ก็ควรจะบอกไว้ด้วยว่านี่เป็นพุทธจพ์หรือพุทธภาสิทธ์อย่าเอาไปเขียนลอยๆแล้วใส่ชื่อตัวเองลงไปเหมือนกับว่าเป็นความคิดของตัวเพราะจะผิดอยู่ในข้อโจรห้าจำพวกนี้ด้วยก็ต้องระวังให้ดี 5. พวกอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนอันนี้ก็เป็นอ克拉มหาโจร ฉะนั้นที่พระองค์จัดพวกอวดอุตริมนุษธรรมเป็นมหาโจรคือเทียบกับสี่จำพวกข้างบนอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าแต่จะไปเทียบกับอนันตริยกรรมคงไม่ได้เพราะอนันตริยกรรมนี้หนักทั้งพระทั้งครวดกุณสมบัติของโสดาบันประการที่หไม่ปกปิดความชั่ว กินจาปิโสกรร ม, มังกรติปาปกังท่านยังทำกรรมที่เป็นบาปอยู่บ้างทางกายวาจาใจายอยู่บ้างก็จริงอภัพโบโสตัตสปิตชายะท่านไม่ปกปิดความชั่วนั้นผมลองเปิดดูในอัธกถาว่ามีความหมายแค่ไหนเรื่องไม่ปกปิดความชั่ว อธิกาถาท่านอธิบายไปเป็นเรื่องของพระหมดเลยคือไม่ปกปิดอาบัตต้องอาบัตแล้วรีบแสดงอาบัตไม่ปกปิดเอาไว้แม้แต่วันเดียวท่านเปรียบว่าเหมือนเด็กที่เอามือแย่เข้าไปในไฟพอรู้สึกว่าร้อนก็จะรีบผดมือออกมาผมจะขอพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้อยู่ใกล้พระนิพพานอันนี้จากพุทธพจน์ ในอังคุตระนิกายปัญจากานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สองอันนี้ไม่ยากครับพุทธคาารวตาเคารพในพระพุทธเจ้าธรรมคาารวตาเคารพในพระธรรมสังฆคาคารวตาเคารพในพระสงฆ์สิกขาคารวตาเคารพในการศึกษาและปฏิบัติอัปปมาทะคารวตา เคารพในความไม่ประมาทปฏิสันถาราคารวตาเคารพในปฏิสันฐานข้ออื่นคนไม่ค่อยสงสัยแต่ข้อหคนมักจะสงสัยความเคารพในปฏิสันฐานนี้ทำไมจึงอยู่ใกล้กับพระนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่านิ บ, บัณาาเสวะสันติเกอยู่ใกล้นิพานนั่นเทียว อันนี้อาจถอดความได้สองอย่างหนึ่งการต้อนรับอายตนะภายนอกของอายตนะภายในอายตนะภายในจะต้องออกไปต้อนรับอายตนะภายนอกตาต้อนรับรูปหูต้อนรับเสียงเป็นต้นถ้าเผื่อต้อนรับดีคือว่ารู้เท่าทันไม่ให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจมันก็จะได้นิพพาน 2. การต้อนรับคนแขกที่ไปมาหาสู่ตั้งอกตั้งใจต้อนรับเขาด้วยอามิรบ้างด้วยธรรมบ้างอามิรสปพติสันฐานต้อนรับด้วยข้าวน้ำผ ล, ลไม้ตามสมควรแก่ผู้มาหรือว่าต้อนรับด้วยธรรมกล่าวธรรมสนทนาธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยะหลังนี้ ถ้าเผื่อต้อนรับด้วยธรรมมันก็ใกล้นิพานเหมือนกันคุยกันไปสนทนาธรรมมันก็เป็นข้อหนึ่งของวิมุตตายตนะห้าที่ทำให้หลุดพ้นได้ดังนั้นธรรมปฏิสันฐานจึงเป็นคุณสมบัติของผู้ที่อยู่ใกล้นิพานทีน่นี้แม้จะต้อนรับด้วยอามิตรก็ทำให้เย็นใครมาหาสู่ ถ้าได้รับการต้อนรับดีแม้จะด้วยอามิตรตามสมควรแก่ฐานะของผู้มาก็ทำให้รู้สึกเย็นใจผู้มาก็เย็นใจผู้รับก็เย็นใจไม่เดือดร้อนใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายในวินัยนี้ดีมากคือกล่าวถึงอาวาสิกวัตรวัดของเจ้าของถิ่นและอาคันตุ ก, กวัตรวัดของอาคันตุ ก, กะ ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะควรปฏิบัติอย่างไรผู้เป็นเจ้าของถิ่นควรปฏิบัติอย่างไรท่านพูดเอาไว้ดีมากถ้าชาวพุทธเราอ่านและนํามาใช้ในชีวิตประจําวันจะได้ประโยชน์มากเลยในตํารามีเล่าไว้โจรไปปล้นวัดเจอเจ้าอาวาสมีปฏิสันฐานดีใจอ่อนยอมเคารพนับถือท่าน และบอกว่าผมจะคอยป้องกันให้กลายเป็นมิตรไปเรื่องคุณสมบัติของผู้อยู่ใกล้นิพพานหกข้อตั้งแต่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ดูเหมือนคนที่เคารพพระรัตนตรยัยเคารพเคารพก็ไม่เห็นจะเข้าใกล้พระนิพพานก็ขอเพิ่มเติมว่าจากพระพุทธภาสิทธิ์หลายแห่ง ขอยกมาสักสองแห่งเช่นในมหาสมัยสูตรที่ว่าเยเกจิบุตทางสรนังคตาสีผู้ใดผู้หนึ่งที่ถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งผู้นั้นจะไม่ไปอบายภูมิณเตคมิสันติอบายภูมิงทีนี้ก็จะมาเชื่อมกับข้อความในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่บอกว่า ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งหรือผู้นําทางเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบนั่น <c oughs> เป็นสราระที่เกษมหมายความว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และต้องเห็นอริยสัจสี่ด้วยคําว่าถึงคือต้องนําเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตด้วย ในฐานะเป็นไกถ้าถึงด้วยการสวดที่พระสงฆ์สวดบุษทางสรานางังคชามิก็ถึงเหมือนกันแต่ถึงแบบอุทุชนถ้าอย่างในพุทธภาสิทธิ์นี่เป็นการถึงแบบอริยชนคือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางแล้วก็ได้เห็นอริยสัจสี่แล้วท่านเหล่านี้ก็จะไม่ไปอบายภูมิ พ้นจากอบายสีผมจะพูดเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเหมือนการโยนท่อนไม้ลงในกระแสน้าอันนี้จากทารุป ข, ขันธสูตรก็คือสูตรที่ว่าด้วยท่อนไม้จากสังยุตตนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง เหมือนการโยนท่อนไม้ลงในกระแสน้ำถ้าไม่ติดฝั่งนี้ไม่ติดฝั่งโน้นไม่จมลงท่ามกลางไม่เกยบกมนุษย์ไม่จับเอาไว้อะ่ะมนุษย์ไม่จับเอาไว้ไม่ติดอยู่กับเกลีวน้าวนไม่เน่าเสียข้างในถ้าไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องออกปากอ่าวตรงออกมาหาสมุทรแน่นอน ฝั่งนี้ก็คืออายตนะภายในหกฝั่งโน้นก็คืออายตนะภายนอกหกจมลงท่ามกลางคือนันทิราคะความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินเกยบกคืออัศมิมานะในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสผู้ที่มีอัศมิมาณะว่าเป็นผู้ที่ถูกไฟไหม้ในอังคุตรณิกายจตุ ก, กานิบาต คือเป็นความร้อนมนุษย์จับไว้หมายถึงคลุกคลีกับขฤรืหัดมากเกินไปอมนุษย์จับไว้หมายถึงประพฤติกรมจันทร์หวังเกิดเป็นเทพนิกลายใดนิกลายหนึ่งหวังว่าด้วยศีลและวัดนั้นจะไปเกิดเป็นเทพเกลียวน้ำวนคือกามาคุณห้าเน่าเสียภายใน คือเป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวสามนี่จากสังยุตตนิกายสลายตนะวั์พระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อ322หัวข้อต่อไปเรื่องธรรมะสมาธิมีเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดกันคือเรื่องธรรมะสมาธิคำว่าธรรมะสมาธิมีกล่าวถึงในพระไตรปิฎก หมายถึงการบำเพ็ญกุศลกรรมบทสิบและเจริญอัปมัญญาสีคือพรหมวิหารสี่แต่ว่าขยายขอบเขตออกไปโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเรียกว่าอัปมัญญาสี่การกระทําบำเพ็ญกุศลกรรมบทสิบเจริญอัปมัญญาสีนี่แหละเรียกว่าธรรมะสมาธิ ถ้าเผื่อได้ความสงบใจจากการทำกุศ ล, ลกรรมบทสิบแล้วเจริญอัปปมัญญาสี่แล้วท่านเรียกว่าจิตตะสมาธิอันนี้ก็อยู่ในสลายตนะวัส์สังยุตตนิกายมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่ได้ยินกันอยู่เสมอแต่ว่าไม่ได้ขยายความชัดเจนคือที่พระพุทธเจ้าตรัสในสมาธิสูตรที่ว่า ภิกษุทั้งหลายขอให้เจริญสมาธิเถิดเพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมจะรู้เห็นตามเป็นจริงสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังประชานาติคําว่ารู้ตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงขยายความว่ารู้อายตนะภายในอายตนะภายนอกและรู้วิญญาณ มีจักขวิญญาณเป็นต้นรู้สัมผัสมีจักขวสัมผัสเป็นต้นรู้เวทนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเอาสมาธินําแล้วตามมาด้วยวิปัสนาคือเห็นตามเป็นจริงบางทีก็วิปัสนานํามาก่อนแล้วสมาธิตามทีหลังก็มีเรียกว่าวิปัสนาสมาธิ คือสมาธิที่ได้จากการเจริญวิปัสนาถึงเจริญวิปัสนาล้วน้วนสมาธิก็เกิดขึ้นด้วยเช่นภิกษุณีรูปหนึ่งตักน้ําล้างเทา้าน้ําก็ไหลไปแล้วก็หยุดเทเพิ่มก็ไหลต่อไปอีกพิจารณาแล้วก็บรรุเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็สมาธิเกิดจากการเจริญวิปัสนา หัวข้อต่อไปอานิสง์แห่งการได้โสดาปติมัคคุณสมบัติของผู้บรรลุนิพพานที่จริงพระโสดาบันนี้คือผู้เข้ากระแสพระนิพพานและไม่ย้อนกลับมาสู่ปุถุชนเหมือนมะพร้าวเขาเคี่ยวให้เป็นน้ำมันแล้วจะไม่กลับมาเป็นมะพร้าวอีกชีวิตของพระโสดาบัน เข้ากระแสะแล้วก็ทวนกระแสะเรื่อยไปแต่ไม่ใช่ต้านกระแสะนะครับทวนกระแสะกับต้านกระแสะไม่เหมือนกันต้านกระแสะนี่เล็งไปถึงการต่อต้านสิ่งภายนอกสิ่งซึ่งอยู่เหนือความสา ม, มารถของมนุษย์เช่นต้านความแก่ความเจ็บความตายทวนกระแสะหมายถึงต่อต้านสิ่งภายใน คือต่อต้านกระแสกิเลสกิเลสที่พระโสดาบันละได้นี่จะสังเกตเห็นว่าไปละกลุ่มโมหะก่อนสากายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรามาสสามอย่างนี้เป็นโมหะกลุ่มโกตะท่านยังละไม่ได้แต่ไม่ถึงพยาบาทโกรธแล้วก็โกรธไปหายแล้วก็แล้วกันไป พระพุทธเจ้าพระองค์ต้องการให้ชุมชนอริยะคือตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปได้เป็นชุมชนตัวอย่างของสังคมคารวาะเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นมองดูและกระทาตามจะสังเกตว่าชุมชนอริยะในสมัยพุทธกาลเป็นคารวะเยอะตั้งแต่พระโสดาบันไปถึงพระอนาคามี แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยขอร้องให้ใครบวชถ้าเผื่อว่าสังคมของเราเอาแบบอย่างบ้างคือไม่รู้อำนาจแก่ความเป็นปุถุชนเกินไปความเป็นอริยะนี่เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้แม้ในชุมชนในเพศคารวะบ้านเราส่วนมากถ้าใครประพฤติรมปฏิบัติธรรมเคร่งครัด หรืออยู่ในศีลธรรมก็มักจะไล่ให้ไปบวชที่จริงท่านต้องการให้อยู่ในสังคมนี่แหละจะได้เป็นตัวอย่างของสังคมา น, นิสงแห่งการได้โสดาปติมัติมีกล่าวไว้ในอังคุตรนิกายชา ก, กันิปาตเล่มที่22มีหอย่างหนึ่งเป็นผู้แน่นอนมั่นคงในพระสัตธรรมคือไม่วอกแวก ไม่วอแวร์ are, ไม่คลอนแคลนสองเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาไม่ตกตำ่ำทั้งโดยฐานะโดยภูมิโดยคติในสัมปรายพมีแต่สูงขึ้นไปไม่เสื่อมจากธรรมที่ได้แล้วสามทุกของท่านถูกจำกัดขอบเขตคือแม้จะยังมีทุกอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเหมือนกับคนธรรมดา ซึ่งความทุกข์ไม่ถูกจํากัดขอบเขตคนโสดาปฏิมรคนี่ทุกข์ยากสุขง่ายอันนี้แปลไม่เหมือนพระไตรปิฎกภาษาไทยที่ท่านแปลเอาไว้นะครับไม่ตรงตามที่ผมกำลังแปลอยู่นี้ท่านจะแปลว่าเมื่อทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วทุกของท่านย่อมไม่มีทุกของท่านถูกจํากัดขอบเขต คือทุกข์ของท่านเหลือน้อยปุถุชนหิวก็ทุกข์หนาวร้อนก็เป็นทุกข์ได้ในสิ่งไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ทุกข์มากจริงๆมันขยายขอบเขตไปมากจริงๆถ้าเป็นท่านเหล่านี้จะมีแต่ทุกข์ทางกายทุกข์ใจจะไม่มี 4. ประกอบด้วยยาที่ไม่เป็นสาธารณะเป็นอาศาัทรณะยาเนนะ สมัญนาคโตในอัธกถาท่านอธิบายว่ายานไม่เป็นสาธารณาแก่ปุถุชนยานไม่ทั่วไปแก่ปุถุชนคือปุถุชนไม่มียานเช่นนี้เช่นโสดาปติมัคคยานซึ่งปุถุชนมีไม่ได้ถ้าเผื่อมีขึ้นมาเมื่อใดก็เป็นพระอริยะพ้นจากความเป็นปุถุชนเหมือนกับ เคยจนพอมีเงินหลายร้อยล้านก็เป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีจะเรียกยาโ จ, จกเหมือนเดิมไม่ได้มันผ่านพ้นไปแล้ว 5. เป็นผู้เห็นเหตุดีหมายความว่ารู้จักเหตุคือว่าเมื่อได้รับผลอะไรก็สาวไปหาเหตุได้ว่ามันมาจากเหตุอะไรห เป็นผู้เห็น ร, รมอันเกิดจากเหตุนั้นแล้วด้วยดีคือได้รับผลรวงความแล้วก็คือรู้จักเหตุรู้จักผลเมื่อทำเหตุแล้วก็คันเนได้ว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ก็มาจากกรรมคือพระโสดาบันท่านจะเชื่อกรรมคือเชื่อเหตุเชื่อผลมีเหตุอย่างนี้ต้องมีผลอย่างนี้ เมื่อมีผลอย่างนี้ก็ต้องมีเหตุมาอย่างนี้ไม่เชื่ออะไรลอยๆนี่คืออนิสงค์แห่งการได้โสดาปฏิมักห6อย่างในอังคุตรนิกายชักกานิบาตเล่มที่22หน้า491เมื่อบุคคลเจริญได้โสดาปฏิมักได้โสดาปฏิผลมันห่างกันขณนดจิตเดียวเท่านั้นแหละครับ คือไม่ค้างอยู่เลยแม้แต่โคตรรภูญานก็ไม่มีการถอยกลับเมื่อได้โคตรรภูยานแล้วต้องได้โสดาปฏิมัคคยานแน่นอนไม่ค้างอยู่เป็นวันเป็นเดือนปัจจุบันถามกันเยอะว่ามีอริยะบุคคลหรือเปล่าถ้าตามความเชื่อผมเชื่อว่ามีมีทุกระดับด้วยคือถ้ายังมีมรตมีองค์แปดอยู่ และยังมีผู้ปฏิบัติมรรคมีองค์8ดอยู่ก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติมรรคมีองค์แปดอยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอริยะบุคคลในตำราท่านว่าไม่ว่างจากพระอรหันด้วยซ้าไปอิเมจะพิกขูสัมมาวิหะเรยุงอสุญโยโลโกโอรหันเตหิอัศ เมื่อเป็นอยู่โดยชอบโลกย่อมไม่ว่างจากพระอรหันต์เวลานี้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่แต่ท่านไม่บอกเท่านั้นเองว่าท่านเป็นอะไรได้อะไรแล้วถ้าท่านเป็นคารวาสกิเลสโอ้อวดก็ถูกดับไปหรือถูกกําจัดให้น้อยลงไปก็ไม่อยากโอ้อวดอัสมิมานนะกํำราบได้เกือบหมด ถ้าเป็นพระก็ยิ่งคำนึงถึงพระวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ท่านก็ยิ่งบอกไม่ได้ใหญ่เคยอ่านข้อเขียนของหม่อมราชวงศ์ทุกริปราโมทมีคนเล่าลือว่าเจ้าคุณนรารัตเป็นพระอริยบุคคลท่านก็เขียนในบทความของท่านท่านก็ไปถามเจ้าคุณนรารัตเจ้าคุณบอกว่าให้เอียงหูมากระซิบข้างหูบอกว่าไอ้บ้า ท่านเขียนอย่างนั้นคือคนที่จะไปบอกว่าเป็นพระอาราหันต์ไม่ได้ท่านไม่บอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคฤหัตคฤหัสก็ชอบไปตั้งว่าองค์นั้นเป็นอาราหันต์ไปรู้ได้อย่างไรขนาดพระอาราหันต์ด้วยกันท่านยังไม่รู้กันเลยที่พระสารีบุตรเทศไปยังไม่รู้เลยว่าผู้ฟังบรรลุแล้ว บางทีการที่คราวาสไปบอกว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์เป็นการประทุษรายท่านอย่างหลวงปู่แหวนท่านบอกท่านเจ็บหัวเพราะคนไปขอผมท่านถึงวันโกนโกนแล้วคนไปขอผมท่านอีกนี่เป็นการถือมองคลภายนอกซึ่งไปรบกวนให้ท่านเดือดร้อน มีแนวทางสังเกตได้จากการประพฤติปฏิบัติก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนโยนไม้ลงแม่น้ำที่กล่าวแล้วเมื่อดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าจะได้หรือไม่ได้มันเป็นหรือไม่เป็นเพราะมันจะเป็นเองได้เองและได้รับความสงบสุขอยู่ภายในแล้วก็รู้สึกพอใจในความเป็นอยู่ ไม่ต้องไปรู้ว่าปฏิบัติถึงขั้นไหนแต่รู้ว่าความทุกข์มันลดลงลดลงท่านจึงใช้คำว่าเอเสวันโตดุขสะนั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์พวกมันหมดอยู่กับทุกโดยไม่ทุกอยู่กับปัญหาโดยไม่มีปัญหานี่คือที่สุดทุกข์เมื่อมีความสุขอยู่ภายในเต็มที่แล้ว ความสุขภายนอกถ้าจะเข้ามามันก็เป็นส่วนเสริมส่วนเพิ่มเติมเข้ามาเล็กน้อยเหมือนคนที่กินอาหารหลักเพียงพอแล้วถ้าจะมีอาหารเสริมบ้างก็ไม่เป็นไรหัวข้อต่อไปสัปพายะธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสัปพายะธรรมของนิพพานคือธรรมที่เป็นสัปพายะของนิพพาน ปรากฏในสังยุตตนิกายสลายยตนวัตข้อ23 232ชื่อสัายสูตรมีสี่สูตรเรียงกันมาใจความสำคัญทั้งสพระสูตรก็คือว่าให้พิจารณาอายตนาภายในภายนอกวิญญาณหมายถึงจักขวิญญาณเป็นต้นสัมผัสหมายถึงจักขุสัมผัสเป็นต้น เวทนาก็คือจกักขูสัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากจากักขูสัมผัสเป็นต้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานี่เรียกว่าสปายะธรรมของนิพพานภิกสุท์ทั้งหลายเราจะแสดงสัปายะธรรมแก่เธอทั้งหลายบางคราวก็ทรงแสดงอายตนะภายในภายนอกในฐานะเป็นกรรมเก่า เราจะแสดงกรรมเก่ากรรมใหม่แก่เธอทั้งหลายและการดับกรรมกรรมเก่าก็คืออายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเรียกว่ากรรมเก่านี่ตามนัยยะของกรรมสูตรสลายตนะวักกรรมใหม่หมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในปัจจุบัน การกระทำด้วยกายวาจาใจในปัจจุบันเรียกว่ากรรมใหม่พระอธกถาาจารย์ช่วยอธิบายว่าอายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ได้แสดงอย่างนั้นทรงแสดงว่านี่แหละคือกรรมเก่า แล้วการที่เรากระทําทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเพราะอาศัยอายตนะภายในหกอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่การแก้กรรมการดับกรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่เดียวกันว่าการดับกรรมคืออย่างไรการดับกรรมก็คือการดับกิเลสเสียได้และได้วิมุตติความหลุดพ้น เรียกว่าการดับกรรมถ้าถือตามพระพุทธพาสิทธิ์ที่ว่าบาปอากุศลที่ทำแล้วก็ละเสียได้ด้วยกุศลหรือปิดกั้นเสียได้ด้วยกุศลอย่างนี้ก็มียัสสะปาปังกตังกรรมมังปุสะเลนะปะหฮียติถ้าถือตามแนวนี้ก็ถือว่า เราเอากุศลมาช่วยในการให้ผลของกรรมเก่าบรรเทาลงคือบางทีท่านใช้คำว่าปิดกั้นก็ได้ปิดทียติย่อมปิดกั้นเสียได้ด้วยอกุศลกุศเลนะปิดทียติอันนี้ปรากฏในเรื่องขององคุริมานในธรรมบทนั้นเป็นปะฮียติละเสียได้ด้วยกุศล แต่ในองคุริมาและสูตรอังคุตระนิกายเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเป็นปิทิยะติปิดกั้นเสียได้ด้วยกุศลพูดนั้นย่อมยังโลกให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกก็ทรงแสดงปฏิปทาเพื่อการดับกรรมคืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์แปด รู้สึกว่าอริยมรรคมีองค์8ดจะใช้มากเหลือเกินในการปฏิบัติทรรต่างๆเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้เดี๋ยวนี้เขามีสวดพานยักษดับกรรมแก้กรรมอันนี้ไม่ได้ครับถ้าจะดับกรรมต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ดที่สวดพานยักษ์นี่ทั้งวิธีการและจุดมุ่งหมายมันไม่ได้มันผิดวินัยด้วยนะครับ สวดเสียงดังเสียงยาวน่ากลัวมากอาบัต ด, ด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์ได้รับพระนามว่าสับบักกรรมมะข่ยังปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมวิมุตโตอุปทิขเยเพราะว่าพระองค์ได้ทรงหลุดพ้นแล้วในการสิ้นอุปทิทั้งปวงอุปทิขเเย อุปธิคือกิเลสสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วจึงได้ถึงความเป็นผู้สิ้นกรรมหมดกรรมปัจจุบันเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจึงมีผู้หัวใสบอกว่าตัดกรรมเสีย้ยขอของดำขนมดำเงินเท่านั้นเท่านี้คนไม่รู้ก็เชื่อว่าตัดกรรมได้ตามวิธีของพุทธ ตัดกรรมมีอย่างเดียวคือตัดจากกิเลสถ้าจะทำให้กรรมเบาบางลงก็ทำให้กิเลสเบาบางลงและทำความดีให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปรียบเอาไว้มีเกลือแล้วเพิ่มน้ําลงไปโดยไม่เพิ่มเกลือถึงเกลือมันจะมีอยู่แต่มันจะไม่เค็มจนถึงกับรู้สึกว่าไม่มีกรรมก็เหมือนกัน อากุศลเราหยุดแล้วมาเพิ่มกุศลให้มากขึ้นเพียงแต่หยุดทำบาปพระพุทธเจ้าก็ถือว่านั่นเป็นการละกามไปได้เยอะแล้วเพราะว่าหยุดการกระทำความชั่วเป็นการทำดีอย่างหนึ่ง